อ่าเป็นวันนี้สภาพร่างกายยังไม่ปกติเสียงเสงยังไม่ปกติเฮ้ยวันพระวันวันพระในลองทําอะไรบ้างวันพระเราเบื่อวันพระบ้างไหมไม่มเบื่อ <c oughs> ตอนนี้เราซึ้งกัเบื่อวันพระตอนนี้ ทำไมถึงเปนนั่นก็เพาะว่าเรามาดูก็แต่ะละครั้งเราก็พูดเรื่องเดิมเรื่องเก่าพเรื่องหลายเรื่องแม้แต่พันปีมาแล้วผู้ใจจัดเอาไว้หรือช่วงโปรงยังมีชีวิตอยู่ว่าตามแล้วเรื่องเก่าเรื่องเดิมเรื่องกินมีเรื่องใหม่ไหม เป็นเรื่องใหม่ที่เราเพิ่งเพิ่งเคยเห็นใช่ไหมไม่เห็นมาตั้งแต่เกิดเรื่องเกิดกลับไปเกิดนีเราเพิ่งเคยเห็นไหมก็ไม่ใช่เพิเคยเห็นปัญหาคืออะไรที่นปัญหาเกีย่ยวกับกินกับเกิดกับแก่กับเจ็บ ก, กับตาย พระก็ต้องมาย้ยําอยู่อย่างนี้แหละเพราะสิ่งเหล่านี้มันเกี่ยวข้องกับเราในชีวิตประจําวันเคนมีทุกวันอยู่แล้วแต่ไม่มีการเรียนรู้จริงๆแล้วเรียนรูน้ก็คือมีครูกับอาจารย์เราเจอกันเขาบอกแยนสอน มันแปลว่าอะไรแล้วคนฝั่งฝั่งที่เริ่มเป็นธรรมะนี่ฝั่งเราคิดให้เป็นธรรมะเราบอกว่าเร า, า, าคิดมันเป็นธรรมะทันทีนะกับแลปลว่าคนหนึ่งเป็นคนสอนคนหนึ่งเป็นคนเรียนแล้วจึงเรียกว่าครูเรียกว่านักเรียนมีครูคนเดียวไม่มีนักเรียนได้ไหม ครูจะไปสอนใครความเป็นครูสูงความรู้เต็มเตี่ยมแต่ไม่มีนักเรียนความเป็นครูมีประโยชน์ไหมมีนักเรียนเต็มไปหมดแต่ครูไม่มาสอนมันได้ประโยชน์ไหมนี่นเราพร้อมหรือยัง เราได้พบครูที่ดีที่สุดในโลกแต่เราไม่พร้อมที่จะเป็นนักเรียนทเรียนรู้มันก็เป็นตัวอย่างนี่แหละถึงจะบอกว่าเบือ่อเห็นไหมเป็นคําพูดเปรียบเทียบเรียเบื่อเป็นเรื่องเป็นราวอย่างเมืองโลกเขาคิดกันเรียกว่าเบื่อหนายเพราะสิ่งเหล่านี้ ถ้าเรามา พ, พิจรารณาโภชนะอิโกในชีวิตประจำวันมันก็จะเป็นประโยชน์ทีนี้ครูที่ดีที่สุดในโลกทนะ่านสรุปให้เราฟังแล้วมันเป็นภาษาเราง่ายๆนะครูที่ดีสุดท่านจะมีวิธีสอนมีวิธีพูดมีวิธีคิดวิธีถ่ายทอด อนี่คือครูที่ดีครูที่ดีที่สุดครูที่สอนได้ดีที่สุดคือสอนจากเรื่องง่ายง่ายไปหาเรื่องยากหรพูดเรื่องง่ายๆธรรมดาไปหาถึงเรื่องที่มันยากเหมือนเรานับเลขเหมือนกันนับจากโซนคือไม่มีอะไรเลยกลับเพิ่มเป็นโบนัสนี่หนึ่งก็เป็นหนึ่งสองสามสนะีก็คือจับน้อย แต่มาคือจะไม่มีอะไรเลยจนมีชีวิตเราเป็นอย่างนี้มันนับเลขเราต้องนับศูนย์ตั้งแต่เกิดนี่กรรมว่าเกิดคือไม่มีอะไรมาเลยนี่คือศูนย์นั่นแหละมาตัวเปล่าตัวรอนจนันเสื้อผ้าอรรความรู้ความสามารถอื่นไม่มีอะไรเลยศูนย์ ก็มารับนึงใหม่เพิ่มมีมีนั่นมี น, น, น, น, นี่อันนี้พ่ออันนี้แม่มีน้องสับสมบติตามมากลายเป็นความเข้าใจผิดไปยึดมันสำคัญมั่นหมายในสิ่งเหล่านั้นที่มันเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันจนอายุอานาป่านนี้ไม่รู้มันยึดไม่รู้มันถือ รูม้มันแบกอะไรเยอะแยะมากมายมันไม่ใช่เจ็ดเป็้าสิบแล้วตอนนี้ตอนที่เรานับ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดเป้าสิบห็นมก็หุดแค่สิบเพราะต่อไปคนนับไม่ไหวตอนนี้หลายคนนับไปถึงรู้กี่ล้านแล้วรู้กี่ร้อยล้านแล้วก็อันนี้คือความจริงเพราะฉะนั้นบริจารย์ของเราบอกว่าสาวแนวทางเป็นภาษาราง่าย เป็นสามแนวทางที่พเราเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันมันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตประมวลทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าวางหลักเกณฑ์เอาไว้หรือพระองค์ปฏิบัติก็าตามในขณะที่พระองค์ยังมีพระชนชีพยอยู่ลักษณะหรือพระองค์ปฏิบัติต่อสัตธาปัจจยชนต่อพระสงค์องค์เนน อื่นๆแลื ว, วิธีพูดยังไๆถ่ายทอดเสนอนำความรู้ความคิดเะวิดีการไปสู่ความสำเร็จของชีวิตทั้งหมดทั้งมวลเพื่อให้เราเข้าใจ <c oughs> คือเรื่องที่หนึ่งก็คือความจริงพ <c oughs> ริเจถ่ายทอดความจริงไม่ได้ถ่ายทอดความเท็จ เรือที่สองก็คือสิ่งที่ถ่ายทอดสิ่งที่บอกกล่าวแนะนํานั้ น, น, นมันเป็นประโยชน์มันไม่มีอะไรจะเป็นโทษเลยตรงไหนที่มันเกิดโทษไม่มีผู้จะไม่เอามาซอ้อนตัวที่สามก็คือเจตนามันต้องเต็มไปด้วยเจตนาควบคู่กัวัตถุประสงค์ต้องมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเจตนา ถ้าเราเข้าใจลักษณะสาอย่างเนี่ยเรามาขยายความดนระว่าผรูที่ยาพูดความจริงจริงอย่างไร <c oughs> รูปร่างกายของเรานี่ยตอนนี้เราคิดว่าเป็นความจริงไหมมันมีอะไรอยู่ในที่เป็นความจริงในตัวเราถามว่าเราคืออะไร เรานี่ก็คืออุปทานจริงๆมันไม่มีเราความจริงแต่ความเท็จเรานำมามีเราเราจึงเข้าใจผิดอย่างนี้มานานว่าสุดท้ายเป็นของเราไปหมดร่างกายก็เป็นของเราโหูตาจมกูกอะไรก็เป็นของเราไปหมดนี่เราเข้าใจผิดแต่ความจริงมันไม่ใช่ผู้ใจ ชี้แจงแยกแยกเอาไปจริงๆมันคือดินน้ำไฟล้มมันไม่ใช่เรามันคือรูปลักษณะของรูปมันเป็นอย่างนี้ผู้เจ้าก็ชี้ให้เห็นอย่างนี้อีกตัวหนึ่งเป็นน้ำมันก็มีแค่ชื่อและเราคืออะไรเขาคืออะไร พระพุทธเจะปฏิบัติต้องปฏิบัติให้ไม่มีเราไม่มีเขาเราเข้าใจตรงนี้ไหมถ้าเข้าใจตรงกันว่านี่คือความจริงเนี่ยลักษณะคือความจริงพระเจ้าก็ทายทอดลักษณะอย่างนี้อันนี้ประเด็นแรกสั้นๆเอาแค่สั้นๆประเด็นที่สองก็คือประโยชน์ชเราได้ประโยชน์อะไรจากรูปคือดินน้ำไฟลมอันนี้ เราเห็นประโยชน์ไหมเราเห็นโทษไหมถึงแม้เราเห็นประโยชน์หรือเห็นโทษก็ตามวันหนึ่งเขาก็จากเราไปตามธรรมชาติเขาก็แยกย้ายกันไปดินก็เป็นดินน้ำเป็นน้ำไปเปนไปลมเป็นลมแล้วไหน เ, าเราอะที่นี่ไอ้่ว่าของเราเะไปไหนในเมือไม่มีของเราแลังเกิดอะไรขึ้นไม่มีของเขาเกิดอะไร เราเข้าไม่ถึงเราไปคิดว่า น, นี่มันเป็นประโยชน์คิดว่เป็นโทษคิดเฉย้เป็นสมบัติเหมือนตุ ก, กตาตุ ก, กตุนมา ก, กอดเล่นเฉยๆก็คือมา ก, กอดรูปกอดนามนี่เฉยๆเหมือนไม่มีอะไรสุดท้ายเราก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรไม่ได้ประโยชน์จากดินน้ำไฟลมอันนี้เพราะไม่คิดว่ามันประโยชน์ประโยชน์มันไม่ให้ประโยชน์เท่านั้นประโยชน์ ประโปัจจุบันเราได้อะไรประโยชน์ในอนาคตรเราจะได้อะไรประโยชน์อย่างยิ่งที่เข้าใจเพื่อจะไม่ให้มีตัวเราตัวเขาคืออะไรอันนี้คือประโยชน์เราคิดเป็นประโยชน์ไม่ร่างกายอันนี้ประเด็นที่สองประเด็นที่สามก็คือเจตนาหลายสินหลายกันฟะแล้วก็จะพูดถึงเจตนา เรื่องกรรมก็ดีเรื่องศีลก็ดีถ้าไม่มีเจตนาที่จะลงมือทําก็รับไปอย่างนั้นแหละศีลมาทีก็มารับทีเพราะมันไม่มีเจตนารับไปตามปฏิการปฏิิกรรมรับไปตามวันเดือนปีเจตนาไม่มีเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าเจตนาเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ที่แรกเนี่ยมันจะเป็นการรับประพราในทางปฏิบัติ นั่งลงเมื่อไหร่รับหูรับตาลงเไหล่นิ่งเมื่อไหร่กายวาจานิ่งเมื่อไหร่มันเป็นสินทันทีอยู่แล้วถ้าเราเข้าใจอย่างเนี้ยมันก็เรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่ายเขาบอกไปแล้วพ่าผู้เชอ่สอนจะสอนจากเรื่องง่ายๆไปหาเรื่องยากแต่เรากลับไปคิดเรื่องอย่างยากทําเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องอยากมันเป็นอย่างเนี้ทุกวันพ้อความที่ไม่เข้าใจเพราะนั้นแจนที่ไปเราต้องเจตนา ทีนี้เจตนาเนี่ยมันสําคัญสําคัญที่ว่าเจตนาเนี่ยถ้าใจเราไม่ดีใจเราไม่ไม่ฉลาดมันเกิดเจตนาที่มันไม่ดีเพราะนั้นเจตนามีทั้งดีและไม่ดีต้องระวังเจตนายละการกระทําทุกอย่างคิดคกิดเหมือนกันพูดเหมือกันทําเหมือนกันอะไเรียกว่าจงใจเจตนาลม คืออารมณ์เกิดจากการเจตนาเรา ม, มีอารมณ์อย่างมีไหมในชีนวิตประจาวันกาเจตนาร ม, มคืออะไรเจตนาที่มันที่กาลังสมมติว่าเรายกความคิดมากาลังคิดอยู่นียเจตนาคืออะไรพัตประสงค์คืออะไรวัตถุประสงค์คืออะไรที่มันคิดอยู่นี้มันคิดเรื่องเก่าเรื่องแก่เรื่องเมื่อวานวันนี้พรุ่งนี้คิดให้มันละเอียดมันคืออะไรและที่มันคิดอยู่นี้ เอาข้อหนึ่งมาใช้กันมันเป็นความจริงั้ยที่มันคิดอยู่เนี้ยมันเป็นประโยชน์ไหมเดี๋กวกลับเอาข้อหนึ่งกัอสอ ง, อสองมาใช้อย่างนี้มันจะเกิดสติปัญญาปลายทางเป็นอย่างนี้อันนี้คือสามข้อถามว่าเกี่ยวเรื่องกันไมมาพอมาพิจรารากลับไปกลับมามันเกี่ยวเรื่องกันหมดว่าอันนี่คือพระเจ้า แล้วผู้ใจอ่บอกว่าถ้าแครก็ตามดํารงชีวิตประกอบด้วยคุณลกักษณะสามอาการอันนี้ในชีวิตประจําวันทุกเรื่องให้คิดอย่างนี้เป็นหลักเอาอันนี้เป็นเกณฑ์เป็นเกณฑ์คิดเลยว่าถ้ามันไม่เป็นความจริงก็แสดงว่าเราก็อยู่ความเท็จก็อยู่ความไม่จริงก็คือถ้าเป็นสัตว์ชาวบ้านง่ายๆก็คืออยู่กัคบความก็หกหลอกลวง โยกับมายาไปวันวั น, วนเหมือนพยายาบแดดมันไม่ใช่ความจริงแต่เราก็ไปอยู่กับสิ่งเหล่านั้นซึ่งมันไม่ใช่ความจริงถา่ายมาพระพุทธเจ้าสอนอะไรก็รสอนความจริงนะครูเราสอนความจริงนะที่เราเรียนเรียนอะไรทีนี้เราเป็นนักเรียนถ้าครูบอกวความจริงคืออย่างนี้นะแต่เราไม่การเรียนรู้คือไม่ได้ลงมือปฏิบัติ ครูก็บอกอย่างนี้แต่ไม่ลงมือทำโทษครูไหมก็โทษนักเรียนโทษเราเนี่แหละเพราะไม่ทําตามครูครูบอกอย่างนี้เพราะเราไม่เชื่อฟังครูนี่คือความจริงเพราะนั้นไม่เชื่อครับครูอตัวที่สองประโยชน์มันก็ไม่เกิดได้นี้คือไม่รับประโยชน์อะไรเลยเหมือนเกิดขึ้นมาเป็นคนเป็นมนุษย์นท่ามาความจริง คำว่าเป็นคนเป็นมนุษความจริงคืออะไรเราเอาความจริงเป็นตัวตั้งเราเป็นคนเป็นสัตว์เป็นมนุษย์เป็นพระสรุปเราเป็นอะไรกันเนี่ความจริงเราเป็นอะไรความจริงคือพฤติกรรมพฤติการในกาแสดงออกของใจเป็นอะไรมันเป็นที่ไหนเป็นที่กายเป็นที่วาจาหรือเป็นที่ใจ กับพเพชรรายอย่างนี้อย่างรครอบเพราะว่าเป็นคนที่ไหนเป็นคนเป็นที่ไหนเป็นมนุษย์เป็นที่ไหนเป็นที่กายหรือเปล่าใช่ไหมมันก็เริ่มแยกออกว่าเริ่มเข้าใจเรื่องกายเรื่องใจละคําว่ามนุษย์เนีมันไมหมายในเหม า, ม า, ม า, มารูปร่างกายอย่างเดียวนะเป็นพระเหมือนกันที่เข้าใจว่าตัวเองเป็นพระเป็นพระก็เอาภาษีเรื่องมาหอมโกนหัว ผมสั้นๆนะตัวเองถืเองว่าเป็นพระแล้วเข้าใจเองว่าตัวเองเป็นพระพระจริงเหรอเป็นพระที่กายเนี่ยนะมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอถ้าอย่างนั้นก็เอาพระเหลืองมาผมทุกคนก็เป็นพระกันหมดแล้วแล้วถามว่าเป็นพระแล้วจริงๆแล้วมันได้ประโยชน์อะไรมันเป็นประโยชน์อะไรกับตัวเองที่ว่าเป็นพระก็เป็นพระมันเป็นพระเจตนาความเป็นพระคืออะไรเจตนาความเป็นพระทรงโอเนมคืออะไร ต้องดูเจตนาในงั้นก็ไปเรื่อยเปลือยก็ไม่เข้าใจตัวเองนนัแต่ครอบองค์ประกอบจันทรนี้มันง่ายในการปฏิบัติมันง่ายในการคิดเมื่อไม่ครอบองค์ประกอบหรือไม่เกี่ยวอะไรกูเ็ก็ตัดออกไม่คิดประจาวั น, จจนอย่าไปคิดต่ออย่าไปต่อความยาสาวความชื้นเงินไม่จบงั้นเราก็อยู่กับความเท้อยู่กับมายาอยู่กับคำไม่จริงก็เพราะเราเป็นลูกนอกพ่อเราเป็นครู เป็นครูที่มีอาลสิทธนักเรียนนักขอกพวกเราเป็นนักเรียนนักขอกหรือเปล่าก็ต้องมาดูเออเราเข้าใจว่าศรัทธาเทวมนุษย์สารหนังพระพุทธเจ้าเราเป็นครูของเทวดาและมนุษย์นะ่ไม่ได้ธรรมดานะเราเป็นครูธรรมดาธรรมดาในะโอยังบอกยากจริงๆแล้วทุกวันนะ่ะเราต้องบอกว่าอันนี้ไม่ได้ วัตถุ ป, ปรามาสกคยโดยความหมายคำว่าครูตัว น, นี้ครูคืออะไรคำตอบนายครูครูสอนอะไรคำตอบตอบง่ายๆคือครูสอนหนังสือเรา ล, งลองนึกตามครูสอนหนังสือภาษาง่ายๆ คือสอนตามหนังสือหนังสือว่ายังไงครูก็สอนตามหนังสือใหน้าที่ของครูก็จบกันนั้นนักเรียนก็เรียนเรียนตามตำราก็คน่นี้นี่ความนักเรียนครูถามว่าครูสอนตามตาราสอนหนังสือ ครับบอกว่าครูไม่ได้สอนแค่หนังสือก็เป็นครูจิตวิญญาณความเป็นครูไม่ใช่แค่นั้นคำว่าครูเนียแต่นี่คือสอนนิดหน่อยที่เป็นบทเรียนเป็นเรื่องย่อยๆเรื่องใดเรื่องหนึ่งของชีวิตที่เหลือนักเรียนต้องไปศึกษาเองเพราะฉะนั้นเราทุกคนจึงเชื่อว่า เป็นนักเรียนทุกวันนั้นก็เป็นนักเรียนไม่มีใครไม่เป็นนักเรียนเว้นบอกคนนั้นหยุดการเรียนรู้คนที่หยุดการเรียนรู้คือไม่มีการศึกษารเรียนคนที่ไม่เรียนคนที่ไม่อ่านหนังสือก็ไม่รู้จักหนังสือสติปัญญาก็ไม่เกิดฉะนั้นการเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุขขดคือในตัวเราเนะี่ยรวมร่รางกายนะี้ ถึงหลายครั้งหลายรอบหลายมาละเปรียบเทียบให้ฟังเสมอว่าตำราที่ใหญ่ที่สุดคือคนนี่แหละห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็คือคนนี่แหละเพราะอะไรเพราะว่าอ่านเท่าไหร่ก็ยังไม่จบหนังสือเล่มนี้ห้องสมุดเนี่ยคนเท่าไหร่ก็ยังไม่หมดจะเป็นตำราที่ใหญ่ที่สุดในโลก ห้องส ม, มุดที่ใหญ่ที่สุดในโลกตัวนี้อ่านไปกิดเร่มแล้วเอาแค่เรื่องสมมติว่าในห้องส ม, มุดมันประกอบด้วยเกี่ยวกับตาเกี่ยวกับหูจ ม, มูกปากลิ้นกายใจอ่านดูเรื่องหรื อ, อยังเข้าใจมันหรื อ, อยังเมื่อไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้สุดท้ายเราก็เป็นทาต เราเป็นทาสของเขาทาสแปลว่าสั่งยังไงก็ตามตามตาเห็นรูปเห็นอะไรสั่งให้เป็นยังไงมันก็เป็นตาม น, นั้นมันไม่เป็นอิสระมันไม่เป็นตัวของตัวเองหรือไม่สามารถจะคิดได้ตัดสินใจได้ดตนเองพระพุทธเจ้าจึงวางหลักการเอาไว้ว่าสามอย่างเนี้นะเสมอหนัวเป็นเป็นขั้นเป็นตอนในการดำรงชีวิตเป็นหลักเ่้าหลักคิดหลักพูดหลักทำ รเริ่มต้นเยอะหนึ่งภาษิที่ผ่านตาตาก็ดีโหนก็นดีทั้งหมดที่เราสมสมุติอ่ะมันก็คือหน้าที่ถ้าเป็นต้นไม้ก็คือกิ่งก้านสาขาหนึ่งงานเล็กๆอันหนึ่งในรูปร่างกายอันนี้เขาก็ทําหน้าที่ของเขาไปตาก็ทำหน้าที่ของเขาไปหนกทำหน้าที่ปากเหมือนตัวนี้ปากทำหน้าที่ไปส่วนสมองก็สั่งงานไปอันนี้คือผ่านอกกานอกรูปรักผ่านออกรูปรักภายในจิตือ เห็นไหมผู้จะไล่ลําลดับของเราสุดท้ายมันลงนี่คือหนึ่งคือภาพรวมทั่วใบก็คือความจริงนะให้เราอยู่กับความจริงให้ได้แม้แต่ตัวเราเองเนี่ยเหมือนกันค้นหาความจริงเจอหรือยังอยู่กันมานานหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบปีเราเจอความจริงอะไรบ้างในตัวเราถ้าไม่เจอความจริงก็แปลว่ายังไม่เจอสัจจะทำใดๆเลยก็คือไม่พบสัจะจะทำนั่นแหละ เห็นมาตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยอยู่กันมาหรือใกล้จะตายเนี่ยเรายังไม่เห็นสัจจะทำอะไรเลยในชีวิตคือในตัวของเราเนี่ยมังกระแปะเราไม่ได้อยู่กับความจริงมาเลยไม่ได้อยู่กับจริงก็อยู่กับอะไรก็อยู่ไปวันๆแค่มีดินน้ำไฟลมครบก็อยู่ได้เมื่อไหร่วันไหนที่ดินน้ำไฟลมมันแสดงออกมันไม่สามัคคีกันมันมากมันมม น, น้อย มันก็บ่งบอกว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยนั่นแหละเด่นมากไปเดือดร้อนน้ามากไปเดือดร้อนไฟมากไปเดือดร้อนลอมมากไปเดือดร้อนเห็นไหมนี่คือสัจจะนี่คือความจริงที่มันแสดงออกให้เราเห็นคือสัจจะเราเห็นไหมถ้าไม่เห็นไม่เห็นความจริงถามว่าพวกนี้เราใช้เหล่านี้เอามาคิดในในชีวิตประจำวันมันเป็นประโยชน์ไห ม, มอันตร มันเป็นประโยชน์มาเกิดประโยชน์ไหมกับตัวเราถ้าไปคิดข้อสองก็ไม่ต้องพูดถึงข้อสามเจตนาที่จะเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ไม่ต้องพูดถึงเลยอภิปรายกันสามอย่างนี้หมดเลยก็แปลว่าคุณไม่มีการเรียนรู้เลยทีนี้ครูอยู่กับเรามาสองพันกว่าปีมาแล้วว่าอย่างนี้นะอย่างนี้นะ พูดจบสองพันกว่าปีมาแล้วไม่มีการเรียนรู้เลยเรียออความจริงแล้วอยู่กับอะไรเแต่นั้นฝากพวกเราทุกคนในชีวิตประจำวันลนราต้องทวนดีว่าอะไรที่เป็นความจริงแท้ในชีวิตประจำวันของเรามันคืออะไรแม้แต่รูปร่างกายของเราเนี่ก็เช่นเดียวกันปฏิีคิลไปของเราเราจริงไหมตั้งคําถามอย่างนี้ถ้ามันจริง แล้วนี้มันจะเกิดประโยชน์อะไรบ้างคือทำประโยชน์อะไรได้บ้างประโยชน์อะไรได้บ้างกับมนก็ตัวเองเนี่ยได้ประโยชน์อะไรได้บ้างคนอื่นได้ประโยชน์อะไรได้บ้างจากสิ่งเหล่านี้แล้วทำตัวเองให้เป็นประโยชน์ให้เกิดประโยชน์ไหนก็นจะมีการเรียนรู้คือไม่รับประโยชน์นั่นเองทุกอย่างอยู่ที่ข้อสารคือเจตนา อยู่ที่การเจตนาพระกษัตริก็จะเน้นสามเรื่องสามอย่างสามอาการเี่เป็นหลักในชีวิตเราจ้ะเช่นศีลก็บอกว่าศีลอยู่ที่เจตนาพูดถึงกรรมการกรรมเขาบอกกรรมก็อยู่ที่เจตนานี่แหละพูดเป็นภาษาไายเราง่ายๆอยนี่แหละจะถามว่าทุกวันนี้เจตนาที่เรามีชีวิตอยูอเออเ่เพื่ออะไรเข้าใจเจตนาไหมเพื่ออะไร อ่าครัอย่างไม่ก็ยะสมมติรับสินไปในเพื่ออะไรเจตนาที่รับสินไปเพื่ออะไรไม่รู้วันสินหนึ่งก็มารับไปอย่างนี้แหละถามว่าเจตนาเนี่ยมันไม่มีเจตนามันไม่กอบเป็นเจตนาเราก็เลยทำตาําตามกันมามันเป็นอย่างนี้สุดท้ายปลายทางก็ไม่แทนอะไรก็คือเราไม่สามารถที่จะเข้าใจความจริง ความจริงที่มันมีอีกเยอะแยะ้างมายที่มันละเอียดที่มันลึกซึ้งพิีธรรมประสมัดมองเห็นด้วยตาเปล่าตาเนื้อตาหนังอันนี้มันยิ่งยากหนักที่อีกขนาดเรามองเห็นด้วยตาเนื้อตาหนังธรรมดานี่เราเห็นแล้วยังไม่เข้าใจยังไม่เห็นว่ามันเป็นประโยชน์เจตนาที่มันันจะไม่มีเพราะนั้นฝากพวกเราทุกคนว่าธรรมะที่แท้จริงถ้าเรา โอปรายิกโกคือ น, น้องการที่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องอยุงย่งยากซับซ้อนอะไรมากมายขอให้เราลงมือทําลงมือปฏิบัติลงมือคิดให้มันรอบคอบอย่างนี้ชีวิตของเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดวิธีพูดวิธีทำดีขึ้นเราจะระมัดระวังคือความสํารวมมันเกิดขึ้นความระมัดระวังสารวมคือาตาสรมมุตาสรุปโมสรุนปางจะมีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น นั่นก็แปลว่าเรามีสติเพิ่มขึ้นมัตตบงังากทีจเราไม่มีสติคือนึกไม่ได้คขาดสติคือเราเลิกนึกไม่ได้คือนึกสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ในชีวิตหรือไม่เคยนึกเลยในชีวิตปรจจำวันนั่นคือไม่มีสติเพราะนั้นตัวสติเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุดขณะผู้เจ้าจะปริิพานแล้วจะตายแล้วนอนลองแล้วก็ยังฝากก็ยังให้ความสคัญ ไปอย่างนึกถึงพวกเรานี่คือความเป็นครูใช่ไหมแต่ภา ษ, ษาเราง่ายๆคือจะหมดลมหายใจอยู่แล้วยังเป็นห่วงลูกศิษย์ทั้งหลายจือฝากปราลบคําหรือโอว่าคำสุดท้ายว่าทัาน์าหลายอย่าประมาทนะก็คือให้มีสตินั่นแหละให้มีสติอย่าประมาทก็คือเท่ากับมีสติเพราะว่าคนไม่มีสติก็ไม่ต่างอะไรกับคนตาย ก็อาจจะมันคนก็ใช่แต่ยังนึกไม่ออกคนตายอยู่ในอบทไหนไอบทนอนเหมือนผู้เจ้ากําลังแก้บริบาลกําลังจะนอนแล้วอยู่ในท่านอนแล้วอยู่ในท่าเสียหายสหยหัดแล้วอย่านึกคุณเราถึงบอกว่าวันหนึ่งถ้ามนุษย์เราหรือนักเรียนลูกหลานเราทุกคนเหมือนพระองค์ตอนนี้แต่พระองค์ นอนลงในอิบุตมีสติทุกขณะไม่ว่าจะยืนเดินนั่งหรือนอ น, นต่างๆับพวกเรานะแม้แต่นอนอยู่ก็มีสติกําหนดสติกํากับอยู่ตลอดต่างกับพวกเราเวลานอนมีสติไหมนอนหลับมีสติไหมยรือบอกว่าอิบุตนอนเป็นอริบุตที่ไม่มีสติเป็นอริบุของคนตาย จะไปเห็นแกนอนมากนะเรานอนมานานแล้วอีกไม่นานเราก็ได้นอนยาวแล้วในขณะที่ยังยือยู่พยายามใช้บทที่มันเดินมั่งนั่งมั่งหรือพยายามที่จะยืนแนวแนวตรงให้มากที่สุดอจะไปยืนเส่นแนวขวางคือแนวราบก็ อ, อยู่แนวราบเมื่อไหร่สติมันก็จะดับทันทีเลยคือสติไม่อยู่กับตัวคนนอนหลับหมดละตาขลับหูดับ ดับทุก่งเหลือแต่ลมท่านั้นอนะ่ะอันนี้คือเคล็ดลับว่าทําไมเราต้องดูลมเพราะสุดท้ายลมตัวนี้ยเป็นตัวประสานทุกอย่างคนจะอยู่คนจะเป็นคนจะตายจะเรียกอะไรก็ได้มอยู่ที่ลมถ้าหมดลมเมื่อไหร่เติมเข้าไปยังไงเขาไม่เข้าคนจะตายเนะี่ยเติมลมเข้าไปอันนี้เป็นตัวอย่างเล็กนิดหน่อยนะครับชีวิตเราถ้าอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องนี้ได้หน่อยจิตก็เหมือนกัน จิตกำลังจะลองจิตกลังจะสงบไม่ได้กระทบขึ้นมามันก็จะถอนตัวออกมาอย่างนี้อะไรกันนอกจิตนอกจิตไหนเป็นอย่างเนี้ยทุกวันเราอยู่ข้างนอกตลอดเวลามันอยู่นอกบ้านจิตมันออกไปเที่ยวตลอดมันไม่อยู่กับตัวไม่อยู่กับบ้านเนี่ยให้มันอยู่กับตัวบ้างวันวันหนึ่งเนี่ยให้จิตเนี่ยมันอยู่กับตัวบ้างอยู่กับกายบ้างมันถึงจะได้ประโยชน์แล้วมันจะเห็นความจริง มันก็จะเห็นประโยชน์สุดท้ายคือมันก็เกิดเจตนารมเพราะวันหนึ่งถ้ามันเข้าใจแล้วว่าระหว่างที่จิตมันไม่อยู่บ้านออกจากบ้านเหมือนตอนนี้พวกเราออกจากบ้านต่อให้มันไฟไหม้อะไรมันก็ไม่เกี่ยวกันกับเราเพราะเราไม่ได้อยู่ในบ้านจิตก็เหมือนกันมันออกจากร่างไปนี่แล้วมันไม่เกี่ยวกายมันไม่ได้ห่วงหาอะไรอาวรณ์อย่างที่พวกเราคิดสภาพมันก็เป็นไปตามความจริง เนี่ยอันนี่คือความจริงพุทเจ้าสอนอย่างนี้สอนเสร็จแล้วมันประโยชน์ไหมเราเห็นมันเป็นประโยชน์ไหมถ้าเห็นประโยชน์ก็ไม่ได้อะไรข้อที่สามคือคอยู่ที่เจตนาอะไรอย่างนี้แล้วมีจิตเจตนารมอย่างไรกับกงค์นี้ถ้าไม่มีองค์ประกอบเหล่านี้ก็เรียกว่าไม่รู้จะเรียกตัวเองว่าอะไรเรียกไม่ถูกถ้าไม่มีอะไรสักอย่างองค์ประกอบเลย ไม่หลักอะไรในชีวิตเลยเมื่อรูปร่างกายรูปคือ่าเสียเนี้มันย่อยสลายแตกไปสีตัวคือนามก็คือจิตนั่นแหละซึ่งมันจะต้องไปต่อมันจะต้องยึดต่อมันไม่ได้ตายจิตมันไม่ได้ตายมันไปตั้งไปที่ไหนจิตมันต้องมีที่อยู่นะวเวลาออกจากบ้านตอนนี้เราต้องมีที่พึ่งที่พักที่พิง กันแดดกันหลงกันพตอนนี้เรามาอยู่วัดเราอยู่ศาลาหลังนี้ก็กลายเป็นว่าตอนนี้ยกลายเป็นที่พึ่งเราเป็นบ้านเราตอนนี้บ้านหลังแรกที่ออกจะมาไม่ใช่เดี๋ยวกับก็ไปใหม่กลายเป็น บ, บ, บ, บ้านใหม่มาจิตเราวนเวียนเป็นอย่างนี้ออกจากร่างนี้ก็ไปสี่อีกร่างหน่ไปอีกพบใหม่ไปอีกมิติใหม่ย้ายกันไปย้ายกันมาย้ายข่ายไปนี้ไปเรื่อยๆความที่จิตเรา จิตหมายถึงว่าสติสัพพัญญาเราตามไม่ทันตามพบตามชาติไม่ทันเพราะมันยาวนานมันไม่ถเพราะฉะนั้นถ้าเราอย่างไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้ก็คือหนึ่งก็ะทบกั บ, บไม่เข้าใจความจริงคือเข้าไม่ถึงความจริงสองไม่ได้ประโยชน์อะไรจากความจริงอันนี้เพราะไม่มีเจตนาอะไรเลยที่เกิดขึ้ตัวนี้สามอยา่างนี้ถ้าเอามาใช้ในชีวิตจริงมันมันจะกลายเป็นเครื่องกรองชีวิตเรา เป็นขัน้นเป็นตอนกว่าจะหนึ่งสองสามอย่างนี้แระวเข้มกับยันชีวิตเราก็อยู่สุขภาวะต้อเรียกสุขภาพจริงๆริงไม่ได้เกี่ยวกับกายไม่เกี่ยวกับใจสุขภาวะภาวะที่เรืองใจมันวางมันสบายนี่สุขภาวะภาษาไทยเรี ย, ส, ย, ส, ร ส, าายสุขภาพพอเลิกสุดสุขภาพเราไปมุ่งไปที่กายลืมไปว่ามันมีใจอยู่ สุขภาพกายถ้าจะพูดก็ต้องพูดให้มันเต็มก็คือสุขภาพกายสุขภาพใจนี่คือสุขภาวะถ้าใครปฏิบัติได้อย่างนี้คิดได้อย่างนี้เป็นกรอบมีกรอบเนี่ยควคิดอย่างนี้สุขภาวะของคุณนั้นมันก็จะดีขึ้นอยากเข้าใจสุขภาวะของตัวเองในแต่ละวันแล้วเราก็วัดตัวเองได้ไปตัวชีว้วะตัวเองแล้ววันนี้เราเข้าใจความจริงมากน้อย ขนาดไหนวันนี้เราได้ประโยชน์หรือเห็นประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ลงมือคือเจตนาจงใจงดเว้นอะไรที่มันไม่ดีงดเว้นคือต้องเกิดเจตนาอะไรที่มันดีก็เกิเจตนาทำที่ดีก็คือเพิ่มเติมมีสติมีสัมปชัญญะมากขึ้นในชีวิตประจําวันเราค่ยรับประโยชน์จากการเกิดแก่เจ็บ เราก็ตายแล้วก็ไม่ตายฟรีไม่ตายฟรีแน่นอนงไหนง้นมันก็จะตายฟรีคือเกิดฟรีจริงๆมาของฟรีอยู่แล้วใครบอกของฟรีไม่มีในโลกนี่แหละเกิดแก่จะตายนั่นแหละของฟรีแต่เราก็ลองใช้ให้เป็นประโยชน์อันนี้คือสาระสาหรับฝากพวกเราเช้าวันนี้แค่สามข้อเราไปคิดต่อไปย่อยต่อไปเจรจาต่อเขียนไว้เลยแปะข้างฝาไปเลย วันนี้มันเป็นความจริงไหมถ้ามันจริงอย่าไปคิดอย่าไปพูดอย่าไปทํามันไม่ ป, ประโยชน์พอตกอีข้อที่สองข้อที่สามก็คือเจตนาเกิดตั้งใจใหม่คือตั้งใจใหม่ใใ ห, มหรือคิดใหม่เริ่มต้นใหม่นั่นเองคือนับหนึ่งใหม่มันไม่ใช่เรื่องยากทําไมงั้นมันก็จะนับไปเรื่อยๆต่อสามสิบเจ็ไปเก้าสิบสี่สิบสองร้อยล้านไปเรื่อยแล้วก็นับนับผิดด้วยนะ มาเมนับผิดปพราก็ผิดไปเรื่อยทุกวันนั้นเรานับผิดเรื่องอะไรมาบ้างในชีวิตประจําวันนั่นก็คือมิจฉาทิฏฐินั่นเองคือคิดผิดพูดผิดทําผิดเจรวรณ์นับผิดก็วันนี้เราหวังเป็นอย่างยิงว่าฟังแล้วคนรับประโยชน์มารับประโยชน์แล้วมันก็ไม่น่าเบื่อแลชีวิตเราเราเข้าใจชีวิตคือเข้าใจความจริงว่าอ๋อมีประโยชน์เราเปน็นคนประสุทธ์มีประโยชน์นะ ถ้าไม่มีเจตนาจงใจหรือลงมือทำํำตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปก็การบริการศูนย์เปล่าเฉะ น, นั้นภาษาการนี้เราผ่ันพ้นมาแล้วาไปครึ่งหนึ่งแล้วเกิด ค, ครึ่งหนึ่งแล้วก็องค์ประกอบทั้งสามอย่างนี่หลายองค์หลายท่านก็พยายามที่จะทําเจตนาลมนี่คือพยายามปันนวนหนึ่งให้อยู่กับความจริงให้ได้ให้เห็นความจริงให้ได้พบความจริงให้ได้2ก็คือทําตัวเองให้เป็นประโยชน์ให้เกิดประโยชน์ ให้มีประโยชน์กับตัวเองให้มากเลยตัวนี้มาได้โดยการเจตนาจงใจที่จะทำเพิ่มเติมมากไปขึ้นเนี่ยแค่สามเมื่องอันนี้ชีวิตเราก็จะเจริญขึ้นคือพัฒนาขึ้นถ้าใ่ชีวิตปัจจุบันไม่มีอ์ปรกรณ์เหล่านี้เลยคนนั้น่าโมฆะแบบว่าอยู่ไปเปล่าเหมือนไม่มีอะไรเหมือนแก้วแก้วเปล่าไม่มีอะไรเข้ามาปโยชนเดียว น้ำจุดเดียวก็ไม่ได้ แ, แก้ป่าเปล่าก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นถ้าเราเคารพพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นครูของเทียวดาและบ ร, ะริษัทต่างๆไม่ใช่ครูธรรมดาในขณะเที่วกันเคารพหมายถึงว่าเชื่อฟังแล้วก็คือปฏิบัติตามเรามีพุทธเจ้าแล้วคือมีครูแล้วแต่เรา เ, เป็นนักเรียนเราไม่เข้าห้องเรียนเลยเราไม่ใช่นักเรียนที่ดีนะปฏะบัติโทษครูไม่ได้ พ่อเราไปเข้าห้องเรียนเองเพราะฉะนั้นอยากให้พวกเราทุกคนเข้าห้องเรียนทุกวันมากน้อยไม่เป็นไรขอให้มีการเรียนรู้ทุกวันไม่งั้นก็ไม่เกิดการเรียนรู้เลยชีวิตเราก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆอันนี้คือสารธรรมสาหรับฝ่าพวกเราเช้าวันนี้เพื่อเป็นแนวนึกเรื่อย ๆ, ๆปฏิบัติจะเรื่องเรื่องอยากๆอะไรงง่ายในขณะที่การถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องง่ายซึ่งเรล่านี้กลายไปเรื่องยากในชีวิตประจำวัน ขออนุโมนาความดีพวเราทุกคนที่เข้ามาเข้าวัดปฏิบัติธรรมจำสินภาวนาในภาษาการนี้ให้ความเพลินนี้เป็นเครื่องพละวะัตปัจจัยปก ป, ปักดักษาคุ้มครองดูแลเราทั้งหลายให้มีความสุขความเจริญยิ่งจริงขึ้นไปอยู่แบบโลกก็เจริญแบบโลกอยู่แบบธรรมก็เจริญแบบธรรมโลกเราก็มีทั้งโลกและธรรมแต่ถ้าเราทําอย่างนี้ หยุดลุกเจริญหยุดธรทมก็เจริญเขาเราทั้งหลายได้มีความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมทุกคนทุกท่านเพิน